พาคนไปปฏิบัติธรรมที่กุฏิสิบอดวันสุดท้ายคืนสุดท้ายก็ได้พาคนไปปลีกวิเวกบนเขาปกติมาสุดท้ายตอนเย็นก็มักนิยมไปผาศีวิไลกัน ก็เป็นการเป็นของแถมก็ได้ให้ไปเห็นทัศนียภาพอันกว้างไกลแต่ว่าเทื่ย น, นี้ <c oughs> เ็นเขาปฏิบัติกันได้เรียกว่าอยู่ตัวก็น่าจะได้ไป ทำอะไรที่มันยากขึ้นอีกหน่อยก็เลยพาเดินเยียงแถวขึ้นเขาไงทางซับเม็กแล้วก็ยาไปงถึงเลยวัดไปแล้วก็ปล่อยคนตามแต่ละจุดแต่ละจุดก็ไม่ได้ห่างกันมากนะห่างสักร้อยเมตรร้อยห้าสิบเมตรที่จริง ถ้าไกลกว่า น, นั้นก็ยิ่งดีนะก็ไปปล่อยตอนเย็นนะตอนเดี๋ใกล้พกคล่ำแนละให้แต่ละคนเขาได้มีโอกาสนะอยู่กับตัวเองจริงๆบ้างเพราะว่าถึงแม้ว่าจะอยู่กู1สิบเ็ดนะกางเต็นท์นอนกัน คนละที่แต่ว่าความรู้สึกไม่เหมือนกันการที่ไปกลางค่ำกลางคืนอยู่ในเต็นท์มันไ ม, ไม่ไม่ทำให้เกิดความวันไหวในจิตใจมากเท่ากับไปนั่งหรือ นอนคนเดียวโดยที่ไม่มีเต็นท์ไม่มีอะไรเลยหลายคนก็รู้สึกได้นะว่าเวลาถึงแม้เป็นนอนเป็นนอนในเต็นท์ที่แยกห่างจากกันเนี่ยมันให้ความรู้สึกแตกต่างกับเวลานั่งอยู่บนโขดหินโดยที่ไม่มีอะไรมาเป็นเครื่อง ขวงกันระหว่างเรากับธรรมชาติไม่มีผ้าเต็นท์ไม่มีผ้าผ้ากรดนี่แหละผ้ากรดบางๆนี่มันก็ยังให้ความรู้สึกอบอุ่นใจนะเวลาอยู่ข้างในกรดเนี่ยอยู่ในกรดกับอยู่นอกกรดนีม่มันให้ความรู้สึกติดแตกต่างกัน หรือว่าสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการอยู่คนเดียวในเวลาคืนก็ไปปล่อยตามจุดนะไยไฟหนึงน่งโนนะเลยเลยพ้นเขตก็าเราไปที่เราเป็นทำแนวกันไฟกันเนะี่ยผูกคีเราก็หลายคนก็รู้สึกเลยนะว่ามัน มันเป็นบรรยากาศที่แตกต่างจากเดิมมากสับหลายคนเนี่ยก็ได้พบกับความสงบรู้สึกพึงพอใจที่ได้สัมผัสความสงบและความเมื่อจริงๆที่จริงก็ให้เทียนไปค น, ล ะ, ล, คนละเล่มคนละเล่มนะแต่หลายคนก็ไม่จุดเทียน เพราะว่ า, อ, าอยากจะสัมผัสกับความมืดนะและสหรับคนเหล่านั้นก็ ส, ว, สวยด้วยเพราะว่าข้างบนบนฟ้านี่มันก็ดวงดาวเรยับเรยับเลยแต่สำหรับคนความมืดนะมันกลารสิ่งที่น่ากลัว สิ่งเดียวกันเนะีนะ่ยความมืดบางคนพบ ก, กับความสงบใจสงบให้ความความสงบภายนอกรวมทั้งความมืดที่ไม่มีสิ่งเล่าทางตาเนี่ยยกเว้นแสงริยบยิบยับบนท้องฟ้านี่ มันก็ทำให้ใจสงบได้เร็วสงบนอกก็ทำให้สงบในแต่หลายคนนะสงบนอกมันทำให้ในใจนิวาวุ่นเพราะความกลัวนะกลัวเพราะความไม่คุ้นเคย มันก็แปลกนะทั้งที่ตามองไม่เห็นอะไรนี่แต่ว่าใจก็กลัวเออถ้าเกิดว่าตานี่เห็นเห็นอันตรายเช่นเห็นเห็นผุผิวเห็นสัตว์ ร, ร้ายแล้วใจกลัวนี่ก็ก็ธรรมดาแต่นี่หลายคนตานไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าใจก็กลัวขึ้นมาได้เพราะอะไรเพจางปรุงแต่ง ไปนึกถึงอะไรตอนอะไรที่ไม่คุ้นเคยสัตว์ร้ายบ้างละ่ะหรือว่าสิ่งที่ไม่รู้จักก็แปลกนะเวลาถามว่ากลัวเนี่ยกลัวอะไรหลายคนตอบไ่ได้กลัวอะไรกลัวคนหรือเปล่ากลัวสัตว์ร้ายหรือเปล่าหรือว่ากลัวผี ที่การที่ไม่รู้ว่ากลัวอะไรนี่มันก็มันก็บอกอยู่ในตัวว่าไม่ได้กลับมาดูใจนเพราะถ้ากลับมาดูใจโดยใครคนก็จะรู้ว่ามันกลัวอะไรไอ้ความไม่รู้เนี่ยเป็นที่มาของความกลัวเริ่มจากไม่รู้จักป่าไม่รู้จัก ความมืดดีพอเนี่ยมันก็กลัวถ้าความกลัวเรีว่าแทบจะร้อยทั้งร้อยมันก็จากความไม่รู้ถึงแม้ตัวเองที่ว่ารู้แล้วก็ตามาเช่นกลัวความตายเนี้ยหรือว่ากลัวความเจยบความป่วยกลัวมะเร็งเนี่ยแลายคนรู้ว่า หลายคนคิดว่าตัวเองรู้จักมะเร็งรู้จักความเจ็บปว่วยจักความตายจริงปลัวแต่ที่จริ ง, งที่รู้ยังไม่ยังไม่มนไม่ครบถ้วนเป็นแค่ด้านเดียวแล้วก็เป็นด้านร้ายด้านบวของความเจ็บความปว่วยด้านบวกของความความตายก็มีนะเจ็บปวดมากมากนี่ มันก็ไทยบรรลุธรรมได้นะแม้จะเจ็บป่วยเจ็บปวดด้วยด้ว ย, วยโรคหรือว่าเพราะถูกไฟเผาครอกถูกเสือกัดหรือแม้กระทั่งเอามีดปาดคอตัวเองทนะ่าตัวตายแต่ว่าก็ในช่วงวิกฤตช่วงหน้าสิวหน้าขวานนี่ก็ถ้าตั้งสติให้ดีนะ ก็เห็นทำได้เห็นโดยเพราะทุกขังว่าโดยเฉอาะอุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไอตอนจะตายนี่มันจะเห็นเลยโอ้เป็นเพราะไปยึดในขันห้านั่นเองจึงเป็นทุกข์ขันห้ามันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วดันไปยึดมันก็ไปไอคนยึดนั่นแหละเป็นทุกข์แทนเลยขันห้าเป็นทุกข์ แต่ถ้าไม่ไปยึดมันความทุกข์มันก็จํากัดอยู่แค่ขันท่าหรือสิ่งที่ไปสิ่งที่ถูกยึดหรือสิ่งที่มันอยู่ของมันเองแต่ถ้าไม่ปล่อยมันอยู่เปล่าเปลาไปยึดมันเข้าไอ้ทุกข์ของมันก็แพร่สุดสู่คนยึดเลยเหมือนโรคระบาดนะนะ ขันหน้าเป็นตัวทุกข์พอไปยึดมันเข้าไอ้ความทุกข์ของขันหน้าหรือสิ่งของที่ถูกยึดมันก็แพ้่สู่ผู้ผู้ยึดนะก็คือทุกข์นั่นเองอันนี้ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นความจริงนะที่มันช่วยทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะฉะนั้น อันนี้เป็นความจริงที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้เพราไม่ได้ศึกษาเพราะฉะน้นเนี่ยที่บอกว่าที่บอกว่ารู้เนี่ยรู้รู้จักความป่วยความตายความทุกข์ดีจริงๆก็ไม่รู้หรอกแลวพอไม่รู้แหละถึงกลัวรู้แค่ด้านเดียวหรือว่ารู้ แบบาชาบช่วยรู้โดยที่มีความหลงยังมีความหลงเจือปนอยู่มากทีเดียวก็มีความหลงในเรื่องสมมุติเข้าไปเกี่ยวข้องเยอะมากความหลงไปยึดว่ามันเป็นมันเป็นอัตราตัวตนนี่ก็ก็มีอยู่ไม่น้อยนะ ตอนนี้พอพอไม่รู้เนี่ยมันก็เลยกลัวแต่ถ้ารู้เมื่อไหร่รู้จำแจ้มมันก็หายกลัวอย่างที่มีนักิทยศาสตร์คนนึงบอกว่าเนี่ยในโลกนี้ไม่มีอะไรที่น่ากลัวไ่แต่สิ่งที่ต้องเข้าใจนะพอเข้าใจหรือรู้แนละ้วมันก็ไม่น่ากลัว อันนี้ความไม่รู้ทำให้กลัวแล้วมเมื่อกลัวเราก็ยังไม่รู้อีกนะคือไม่รู้ว่ากลัวไม่รู้ว่ากลัวความกลัวก็เลยค้างหรือว่าคลองใจได้แล้วถึงแม้ว่าจะรู้ว่ากลัวมันก็ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่ากลัวจริงมันรู้สึกกลัวมากกว่ารู้ว่ากลัวนะรู้สึกกลัวคือกลัวกลัวนั่นแต่ไม่ได้เห็นความกลัว เห็นความกลัวกับรู้สึกกลัวนี่มันต่างกันมันก็เห็นความปวดแต่รู้สึกปวดนี่ต่างกันเห็นความดีใจแต่รู้สึกดีใจนี่มันต่างกันอันหลังนี่มันคือเข้าไปเป็นแล้วนนที่บอกว่าลูว่ากลัวมันก็ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่รู้จริงนะแต่มันเป็นเป็นต่างหากนะ รู้จักทุกหรือรู้ทุกกับเป็นทุกก็ไม่เหมือนกันรู้ทุกรู้ทุกนี่ดีนะทุกเป็สิ่งที่ต้องรู้ทุกเป็สิ่งที่กำหนดรู้ผลของการกำหนดรู้ก็คือรู้ทุกแต่ถ้าไม่รู้ทุกมันก็เป็นทุกนะอันนี้นอกจากจะไม่รู้ว่ากลัวแล้วเนี่ยก็ยังที่หนักกวนั้นคือรู้ไม่รู้กลัวอะไรนะมันกลุบมันไม่รู้หลายชั้นอย่นะ คือพอความไม่รู้ก็เลยกลัวพอกลัวแล้วก็ยังไม่รู้อีกไม่รู้ว่ากลัวแล้วก็ไม่รู้ว่ากลัวอะไรแต่ว่าในในบรรยากาศที่มันไม่มีอะไรที่จะมาดึงดูดสายตาหรือว่าดึงดูดจิตใจก็ไม่มีสิ่งแล้วเพราะเป็นความมืดเนี่ย มันก็เป็นโอกาสทําให้กลับมาดูใจเรื อ, องได้ให้ความมืดนี่มันก็ดีเหมือนกันนะความมืดเนี่ยมันทําให้สามารถทําใ ห, ให้ให้ใจสว่างได้เพราะว่าจิตมันจะไม่ส่งออกนอกนะความมืดเนี่ยมันช่วยให้จิตนี่ไม่ส่งออกนอกเพราะมันไม่มีอะไรที่จะร่อเราใจให้ ส่งออกนอกเมื่อเวลากลางวันอย่างตอนเช้าเดินจงกรมเดินรับอรุณหลายคนก็บอกว่าใจมันลอยเลยนะเห็นนกนะเห็นนกหายิงนกพิราไฟไปแล้วใจได้ยินเสียงเสียงนกเสียงเสียงน้ำไหลใจก็ไปแล้ว ได้เห็นเห็นแสงแดดสวยแสงกระรุนมันมันส่องเป็นแนวเป็นทางอยู่ข้างหน้าสวยอยากจะถ่ายรูปจิตมันส่งออกนอกได้ง่ายมากทั้งที่สว่างแต่ว่าใจนี่อาจจะมวัวเพราะว่าส่งออกนอกไป ความรู้ตัวนี่บางทีไม่เหลือเลยใจที่หลงไม่รู้ตัวนี่มันก็คือว่าไม่รู้ว่าใจมึดเหมือนกันนะเมื่อใจก็ตามที่ไม่รู้ตัวก็เรียกว่าหลงหลงนี่ก็เป็นความมืดอย่างหนึ่งข้างนอกสว่างแต่ใจมึดนะเพราะว่าจิตมันส่งออกนอกแต่พอไปอยู่พิเว้กในในปา่ากลางค่ำกลางคืน ถึงแม้มันมืดนะแต่ว่ายังเอื้อให้ใจสว่างได้คือว่ามีสติรู้ตัวตเวลายกมือสร้างจังหวะเวลาเดินจรงกลมหลายคนก็บอกเออมันมันรู้ชัดดีนะไม่ให้ชัดแบบเพลงนะแต่ก็มีสิ่งดึงดูดใจอยู่เหมือนกันนะกลางคืนเนี่ยคือดวงดาวนะดาวที่มันเต็มท้องฟ้าเลย บางคนนี่ก็ไม่ได้ไปตัวปลาแล้มีมีกล้องสองทางไกลก็ก็เลยเอากล้องดูดาวดูดาวดูทางช้างเผือกเห็นเป็นฝุ่นดาวเต็มไปหมดอันนี้ก็ทำให้เสียโอกาสนะ เห็นดาวเห็นทางช้างเผือกชัดเจนแต่มันไม่เห็นใจเพราจิตส่งออกนอกก็เสียโอกาสเสียโอกาสในในเรื่องของการมาตามดูรู้ใจตัวเองแต่ว่าได้โอกาสนะที่จะได้ดูรวงดาวมันชัดมากเพราะว่าข้างบนนี่มันเป็น มันไม่ใช่ป่าแล้วนะมันเป็นไล่มันเลยไปเลยทางซับเม็ไปฟ้ามันจะเปิดกว้างมากเลยนะเห็นไกลไปถึงภูเขียวบางจุดบางบุมเห็นไปถึงแก้งคอนะเห็นไฟเลยยิบไปยับข้างล่างข้างล่างมีไฟเลยยิบเลยับเพราะว่าแสงไฟแต่ข้างบนนี่มันลิบๆเพราะแสงดาว ก็เห็นกว้างมากมันก็เป็นความหลงมันทำให้เพลินอีกแบบนึ้งนะก็ส่งจิตออกนอกไปได้เหมือนกันไอ้แบบนี้มันก็ออยทำให้มืดทั้งข้างในและข้ขางนอกเลยนะข้างในก็หลงเพลินไปด้วยอารมณ์พึงพอใจหรือว่าตื่นตาตื่นใจกับดาวที่มันเริยบทั้งท้องฟ้า ที่จริงมันไม่มืดจริงนะข้างบนเนี่ยแปลกใจนะใช้เป็นคืนเดือนมืดนะแต่ว่ายังเห็นทางข้างหน้าอันนี้เป็นเพราะว่าแสงไฟจากเมืองเนี่ยจากหมู่บ้าน ร, รอบๆเขามันก็มันสะท้อนออกมามันสะท้อน บรรยากาศมาสะท้อนกลับเข้ามากลับลงมาทำให้มันไม่มืดจริงก็เหมือนตอนตีสามอย่างี้ยเมื่ออย่างตอนนี้เนี่ยมันจะมืดจริงๆเพราะว่าผู้คนก็ดับไฟกัน ต, ตามหมู่บ้านต่างๆตามเมืองก็ไฟก็น้อยลงฟาร์มก็เลยมืดแต่ก็ยังไม่มืดสนิท เียนหายากแล้วนะควาว่ามืดสนิทเนี่ยแม้ก็ทั้งในเพราะว่าในทะเลทรายเนี่ยทะเลทรายซึ่งมันไม่มีผู้คนเป็นเป็นร้อยตารางกิโลเมตรนี่มันก็ยังมีแสงสะท้อนมีแสงไฟจากที่ไกลๆเนี่ยปร้อยๆกิโลเนี่ยมันสะท้อนผ่านมันสะท้อนผ่านฟ้าลงมามันไม่หานี่เดีย๋ยวนี้หาที่มืดสนิทจริงๆยาก อันนี้นักดูดาวเขาบนกันนะว่ามันมันไม่ว่าอยู่ตรงไหนของโลนี่มันก็ล้นแต่แต่มีแสงไฟไม่ไม่ใช่แสงไฟโดยตรงก็แสงไฟที่มันมันสะท้อนจากบรรยากาศแต่ส่วนคนเมืองเนี่ยนะไอถึงแม้ไม่มืดสนิทนะมืดแปดสิบเปอร์เซ็นก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ หายยากแล้วงั้นเพียงแค่ได้อยู่ทางกางธรรมชาติเนี่ยสว่างสว่างเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะนะทำให้หลายคนนี่กลับเข้ามาดูใจยยตัวอันนี้ก็เป็นเป็นเหตุผลที่ผู้เจ้านะแนะนำให้ผู้ปฏิบัตินี่นะไปทำความเพียรใน ในป่าอยู่คนไม้อยู่ในถ้ำอยู่ทํากลางธรรมชาติเพราะว่ามันไม่มีสิ่งเร้ามากมันทำให้จิตเนี่ยไม่หลงเพลินส่งออกนอกทำให้เห็นความคิดเห็นอารมณ์ของตัวเองอันนั้นคือเห็นแบบยหยากหยาดนะ เห็นละเอียกว่านั้นก็คือเห็นธรรมชาติของของใจตัวเองซึ่งอันนั้นมันทำให้ทำให้เกิดปัญญาอย่างแท้จริงเพราะถ้าเห็นแท้จริงแล้วมันก็หลุดนะจิตมันก็วางจิตมันก็เป็นอิสระ แต่ล้วยิ่งถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่แค่ธรรมชาติแค่ป่าแต่ว่ามันมืดด้วยนี่มันก็ทําให้มันได้ยินแม้กระทงเสียงคุยของตัวเองได้ได้เห็นภาพของความคิดที่ทําให้หลงเพลินก็จะมันก็จะหลุดออกแต่อย่างที่ว่านะสิ่งเดียวกันคนนั้นคนก็มองต่างกัน ความมืดถ้าบางคนทำให้ใจสงบทำให้เกิดปัญญาใจสว่างแต่บางคนมันทำให้หลงทำให้มืดหนักขึ้นเพราะว่ากลัวหรือว่าฟุ้งซ่านนะทุกอย่างอันนะมันมีความหมายสำหรับคนแตกต่างกันนย่งที่เคยบอกเหมืนนอนทํานองเดียวกความนะ ความร้อนน้ำที่เดือดนะถ้าย่อนมันลงใบมันก็อ่อนเหลวนิ่มแต่ถ้าเป็นไข่นะมันก็แข็งนะสิ่งเดียวกันเนี่ยแต่ว่าผลต่างกันนะเพราะว่ามันอยู่ที่คุณภาพภายในนะของสิ่งของ แต่ละสิ่งที่เขาไปเกี่ยวข้องความเจิดความป่วยถ้าบางคนมันทำให้ทุกทรมานมากขึ้นทาให้จิตจิตมืดมากขึ้นมืดด้วยความทุกข์แต่ถ้าบางคนมันทำให้จิตสว่างคือมีสติหรือว่าเห็นมีปัญญา ความสูญเสียพัดพราดสาหรับบางคนมันทํามันหมายถึงความทุกข์ไงแสนสาหัสนะแต่สาหรับบางคนมันหมายถึงใจที่เปิดเห็นสัจธรรมอย่างนางกีสาโคตมีนางปตจราหรือว่าอย่างสันตติอัมมานสันตติอัมมานี่เป็น เป็นคนสนิทคนหนึ่งนะของพระเจ้าประสเทีิโกสนทำความดีความชอบมากพระเจ้าประสิโกก็เลยให้ครองราชอยู่เจ็ดวันมันมีประเพณีหรือธรรมเนียมแบบนี้ด้ยวยนะครองราชดเจ็ดวันมือนก็เป็นการให้เกียรติเป็นการตบรางวัลสาวคนที่ได้เกียรติแบบนี้ก็ ก็ใช้เกียร์นะั้นไปในทางที่ปลนเปลือตัวเองสจะเตรียมหมาย ก, กันเหมือนกันนะพอได้ของแล้จวันก็เลยปลนเปลือตัวเองมีการเลี้ยงมีการกินมีการฟ้อนรำละเล่นให้ผูอีกมาฟ้อนรำเรียกว่าทั้งวันทั้งคืนทั้งกินทั้งดื่มเสพทุกทวาร แทนที่จะใช้โอกาสนี้นะทำความดีช่วยเหลือคนยากคนจนนะกับการที่เขาเสพปนเปร้ตัวเองทุกทวารเลยก็ไปไปติดตาต้องใจผู้หญิงคนหนึ่งนะที่เป็นนางฟ้อนรำฟ้อนได้สวยต้องตาต้องใจแต่ว่าพอถึงวันสุดท้ายวันที่เจ็ดนี่แกฟ้อนแกบมุงสมเร อ, นอนจนตายเลยนะ ตายตอนหน้าต่อตาเลยทำงานหนักมากฟ้อนรำทั้งวันทั้งคืนเจ็ดวันติดต่อกันแล้จะเตรียมหมานี่เห็นคนนางสนมคนนี้เนี่ยคนโปรโดเนี่ยตายหัวใจวายตายตอนหน้าตานี่หายเมาเลยนะสั่งเมาเลยมีความโศกเศร้ามาแทนที่เศร้าใจไม่รู้ทายัางไง ก็เลยนึกถึงพุทเจ้าไม่ได้รู้จักมากนะเคยพบแค่ครั้งเดียวก็เลยไปไปฟ้าพุทเจ้าหวังจะให้พุทเจ้านี้ช่วยบรรเทาความโศกเศร้าพระองค์ก็แสดงธรรมนะแสดงธรรมก็ไม่ยาวนะให้เห็นถึงความความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งปวงเป็นเึงธรรมชาติธรรมดาความพัดพลาดสูญเสีย เห็นนึงว่าไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้เลยสอนเตรียมมาเนี่ยซึ่งยังโศกเศร้าแต่ว่าก็มีสติพิจารณาตามไอ้ความโศกเศร้าเนี่ยที่มันที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจเนี่ยนะพอได้ฟังก็หันไปพิจารณานะี่ยพอพิจารณาเข้าปัญญาเกิดเลยนะ เห็นท่วงความยึติดถือมั่นจิตก็หลุดพ้นนะเป็นพระอรหันต์เลยเมื่อสักครู่นี่ยังยังยังเมาอยู่เลยนะเมื่อสักสองสามชั่วโมงแต่พอเจอความทุกข์เข้าแล้วพอมีคนสะกิดนะหันมาไข่ครวนปัญญาก็เกิด นะก็เป็นอรหันต์อีกท่านหนึ่งนะที่เป็นครหัดนะอนนี้ก็เป็นอีกตัวอย่า ง, น, งนะที่ที่เป็นชี้ว่าปรากฏการหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันมันไม่ได้แปลว่าจะทำให้ทุกเสมอไปหรือว่าจะทำให้คน จมอยู่ในความทุกข์นะจมกระทั่งเหมือนว่าตกนรกแต่ว่ามันสามารถจะทำให้เกิดปัญญาตาสว่างขึ้นมาได้ของทุกสิ่งเนี่ยมันมีความหมายแต่ละคนแตกต่างกันมันอยู่ที่เราจะมองมันอย่างไรนะคนที่ไม่ได้ฝึกฝน ก็ตกเป็นทาสของสิ่งนั้นได้ง่ายคือเจอความสูญเสียก็ทุกข์นะถ้าได้เสร็จได้ครอบครองได้บริโภคก็สุขแต่ว่าคนบางคนไม่ปล่อยให้มันมากระทำนะต่อจิตใจของตัวเองแต่ว่ากลับใช้มันให้เป็นประโยชน์ คือพิจารณาแทนที่จะปล่อยให้มันกระทำย่ำยีจิตใจก็หันกลับมาตั้งสติดูพิจารณานะก็เห็นเลยโอ้มันเป็นทุกข์มากนะไม่นายจิดถืออันนี้ปัญญาก็เกิดได้ก็เหมือนความมืดนะความมืดนี่เราจะปล่อยให้มันทำให้เรากลัวผวา หรือว่าเราจะใช้มันเพื่อทำให้เกิดปัญญาหรือว่าทำให้ใจสงบมันอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่เราอยู่ที่จิตใจของเราว่าจะทำยังไงกับมันหรือปล่อยให้มันทำคนส่วนใหญ่ปล่อยให้สิ่งววาล้อมกระทำกับเราแต่ไม่ค่อยรู้จักกระทำกับสิ่งว่าล้อมกระทำกับสิ่งว่ดล้อมก็มีสองอย่างกนะ็คือลงมือกระทาเพื่อเปลี่ยนแปลงมันหรือว่าอยู่เฉยแต่ว่าใจเรานี่แหละ พิจารณาใคร่ควรหรือว่าใช้มันให้เกิดประโยชน์ทางใจชัีู้ต น, นี้อค